กับความรู้สึกตัวเอาจิตใจไปต่อเอากับความรู้สึกตัวเราก็มีกายมีใจแต่ใจจับต้องไม่ได้เราจะมีความรู้สึกตัวไปทิกายก่อนอรู้สึกตัวที่กายเข้าใจมันก็อยู่นี่แล้วเวลามันหลงไปทางความคิดจิตใจเราก็รู้สึกตัวกลับมาที่กายไม่ต้องไปยุ่งกับจิตใจ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 มันก็เป็นสัมสนเป็นจิตที่สัมสอนอารมณ์จะพอพิวไปไหนก็ไปกับเขาไปยินดีไปยินร้ายไปพอใจไม่พอใจอามชิดเกิดขึ้นเฉยน้ำตาลุง่งน้ำตาไหลาเป็นทุกข์นอนมาหลับได้ว่าไม่ได้สอนจิตสักทีไม่จิตไม่ถูกสอนมันก็ดืดด้านทุก ส, สน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 พามันไปจับให้กวดมาคนอ่อนก็ได้มาแล้วก็กวดถ้ามันขวดด้วยเราขวดด้วยกวดใส่กระเปาเอาพามันเอาไปทิ้งไม่ต้องบอกมันก็ได้พามันทำตัวอย่างมาดีกวาคำสอนบางทีเราไม่ต้องพูดพาทําทำไปเลยมันลึกซึ่งขวกันการสอนใจนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เพื่อข่มเทียดเพราะ จิตใจมันไม่มีอะไรที่จะไปกำเคียดกับมันแต่มันคิดมันหลงเฉยๆแต่มันห้วงเราก็หาวิธีที่จะให้โควงแรงให้ตื่นเ้าเรายกมือสร้างจังหวะอาจจะทำแรงๆหรือตั้งต้นมามองออกไปทั้งนอกท้องฟ้าก้อนเมฆทำรู้สึกตัวทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออก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 ไม่ใช่เสียใจเพราะมันผิดเวลามันหลงกับหัวโลภของหลงสติต้องมีสัาราสีต้องมีที่ตั้งอันมั่นคงไม่ห่อนแน่นกอดแขนกับอารมต่างๆแล้วก็ให้มันชัดเจนเวลามันวุ่นวาเรื่อความคิดพุ่งซ้านก็ให้เห็นความคิดแล้วกบมาลุกตัว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 สร้างปัญญามันจบที่ตรงนี้เกิดเบิ้งสีปัญญาเกิดจากรูปจากนามเกิดจากการจากใจคองคนนนเราจึงต้องมาศึกษาดูมันเป็นตำลาเรื่องใหญ่กายเป็นตำลาใจเป็นตำลาสติเป็นนักศึกษาเห็นหมดปเห็นครบเห็นท่วนอะไรที่แสดงสออกทางทกยายประสุข ย, ยังไงประทุกขยังไงกลวมาเทียยเท่ยงงไงกลมเชื่อโตตัวยังไง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 ให้เขาเวียบีเปลี่ยนคนอื่นถ้นนเขามีจิตบริสุธิ์หนึ่งสองสามเลยป่าทำมันมากขึ้นมาเราก็อยู่กันร่วมโลกด้วยความสันติสุขสันติภาพมชาชาวดีเราดีคนเดียวต้องช่วยกันจึงมีสถานที่แบบนี้ตั้งทา ม, มาสอนพวกเราก็มาศึกษาเรินกันชิดชนกันดูพี่รู้สองน้องรู้ดังเอเรามั่นใจตรงนี้มากที่สุดเลย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 น่าหัดเป็นแล้วไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ห่ดดางตาคมหลงก็อยู่ที่เราความไม่หลงก็อยู่ที่เราผมทุกข์ก็อยู่ที่เราความไม่ทุกข์ก็อยู่ที่เราพ่อรู้จักเปลี่ยนแรงแฉ้ไขประพงเทือนตนสอนตนไปดีวันดีคืนไปได้